แต่ตอนบ่ายก็เน้นภาคปฏิบัตินะการปฏิบัติเนี่ยมันจะทำให้เราได้ไดฝึกฝนเนาะยิ่งฝึกฝนนะมากๆมันก็ยิ่งเกิดความเข้าใจนะเข้าใจมันจะเข้าใจได้ตัวเองนะบางทีมันไม่ใช่แปลว่าต้องให้ ให้ใครมารับรองหรือมาบอกว่ามันถูกหรือผิดน ะ, อะไอ้ที่เข้าใจเนะี่ยมันเป็นมันจะเข้ามันจะรู้สึกนะมันใช้ความรู้สึกมันเป็นประสบการณ์มันเป็นสิ่งที่เราจะได้เห็นด้วยตัวของเราเองว่าเออปฏิบัติเนาะแบบไหนมันคำว่าทางสายกลางเนาะ ตรงไหนไมันเป็นกลางตรงไหนมันตึงตรงไหนมันหย่อนนะทางสายกลางบางทีเราก็จับประคองความเป็นกลางมันก็ไม่ใช่บางทีเราก็ไม่ชอบอันทีมันก็ชอบนะจะได้เห็นตรงนี้นะก็ไปฝึกดูนะมันเป็นประสบการณ์นะอย่าไปกังวลเรื่องผูกผิดมากอาทีนะักปฏิบัติทำบางคนนะ่ะเครียดนะ เครียดคือแบบกลัวผิดกลัวเสียเวลากลัวไม่บรรลุธรรมนะมันมมีความบางทีมีความกลัวมาครอบงํามันก็เลยแบบสับสนนะกังวล น, นะหรือบางทีก็เกิดความอยากนะอยากคือบางทีก็ติดนะอยากอยากจะดีนะอยากจะเรียกว่า อยาจะบรรลุธรรมอะไรเนะี่ยมันก็ทําให้เราทําด้วยความอยากนะระวังนะเอ็ตัวความอยากนะอยากที่จะได้อยากที่จะดีหรือความกลัวนะกลัวจะไม่ดีกลัวจะผิดเลยนะภาวนาจริงๆนะคือไม่ใช่เอาดีนะไม่ได้ไปยึดดีนะดีก็ คือมันก็จบนะไม่ใช่เอาถูกกับผิดนะแต่เห็นมันถูกเห็นมันผิดเห็นมันดีเห็นมันไม่ดีนะมันจะผ่านนะคือถ้าเห็นน่มันจะผ่านแต่ถ้าจะเอาเนี่ยไม่เอาถูกเอาดีนะมันก็ติดแต่ให้เห็นมันมันจะถูกก็ช่างผิดก็ช่างดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างเห็นเห็นมันเห็นสภาวะ ที่มันเกิดขึ้นนะเห็นแล้วจบเห็นแล้วข้ผ่านไปเรื่อยๆนะภาวนามันต้องอ่าดองให้เป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติของเราเนาะนะมันต้องผ่านนะบางทีก็ผ่านต้องผ่านความความฟุ้งซ่านผ่านความง่วงนอนนะผ่านความดังเลสงสัยนะผ่านความชอบความไม่ชอบต่างๆนะอืม ทางกายก็อันนึ่งนะทางใจก็อันหนึ่งบางทีร่างกายมันเมื่อยร่างกายมันง่วงนะก็อันหนึ่งจิตใจมันง่วงนะจิตใจมันเพลียงก็อันหนึ่งนะบางทีเราจะทำแบบกล่อมตัวเองนะบางทีตายมันตื่นนะแต่ใจมันง่วงนะก็ไปลองทำดูแล้วก็คือไม่ได้ให้จำว่าเราทำเพื่อ เรียกว่าสร้างสติฝึกสตินะ <_ C os al> ฝึกให้รู้สึกตัวอย่าไปทำเพื่อให้อะไรมันเกิดขึ้นทำเพื่อให้อะไรมันหายไปเ <_ C os al> ช่นทำให้มันสงบทำให้มันสบายมายถึงว่าทำเพื่ออยากให้มันสงบหรือทำเพื่ออยากให้มันสบายหรือทำเพื่อให้มันไม่คิดทำเพื่อให้มันเรียกว่าหาย นะหายจากความง่วงหายจากแล้วก็คือทำก็เพื่อทำนะไม่ใช่ทำเพื่อจะจะได้อะไรทำเพื่อจะไม่อยากได้อะไรนะใจซื่อคือเนะี่ยเพื่อทำมีสติก็เพื่อมีสติสตไปมันจะพวกอยู่ก็ง่วงมันจะคิดอยู่ก็คิดเรื่องของมันนะมันตรงเนี้ยแหละสิ่งสำคัญเลยนะดักในการปฏิบัติตรงเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าตัวความอยากนะตัวความคาดหวังตรงเนี้ยแหละ มันคือคือรากเงาของความทุกข์ถ้าเราไม่เห็นตัวนี้ถ้าเราไม่สามารถที่จะดูเท่าทันเเนี่ยมันก็จะกลายเป็นติดติดดีอยากได้อยากเอาอยากเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไปเดี๋ยวไปทำดูเนา ะ, อะลองใช้ฝึกเอาแล้วก็ถ้าเกิดติดขัดอะไรยังไงก็ก็มาถามกันนะ ใช้พื้นที่ตรงนี้นะอืทําอีกอย่างหนึ่งอะทําเหมือนถ้าสามารถบางใจได้จริงๆนะภาวนาไปจริงๆเหมือนภาวนาเพื่อบูชาครูบาอาจารย์เลยนะคือเหมือนภาวนาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้านะภาวนาเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ ตัวตนมันตัวตนของเราอ่ะมันจะไม่มีเพราะคือทําแบบคือถ้าทําเพื่อ ต, ตัวตนของเรานะมันก็จะเป็นทําเพื่อจะเข้าเข้าเข้ามาสู่ตัวเรานะแต่ทําเหมือนปฏิบัติบูบบชาย่าจริงๆนะเหมือนเหมือนไม่ได้ทําเพื่อจะเอาอะไรนะทําเพราะว่าเห็นว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนนะพระพุทธเจ้าสอนมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์อย่างไรนะ เราก็เหมือนทำใจแบบนี้นะแต่มันก็บางคนทำแบบนั้นไม่ได้มันรู้สึกว่าเราก็เราก็ทุกเราก็อยากหาทางพ้นทุกเราก็อย่างนั้นอยาน่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ให้ซื่อๆกับตัวเองนะซื่อกับกิเลสที่มันมีนะคือมันมีกิเลสแบบนี้ก็ยอมรับว่ามันมีนะมันเกิดความคิดแบบนี้ก็ รู้ทันเออว่ามันคิดแบบนี้นะไม่ใช่แปลว่ามันจะต้องดีนะมันจะต้องอะไรต่างๆมันมีกิเลสแบบไหนก็ซื่อกับตัวเองซื่อเห็นมันเออมันมีแบบนี้มันเกิดความอยากแบบนี้ก็เห็นมันหรือแม้แต่บางทีมันไม่รู้มันแปลมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรก็ไม่เป็นไรนะแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น ผิดปกติขึ้นในใจแค่นั่นก็ได้นะบางทีไม่ต้องไปอธิบายสภาวะเพื่อตัวเองจะได้เข้าใจาอธิบายสภาวะเพื่อให้คนอื่นเข้าใจตัวเองก็งไม่เป็นไรแค่รู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆเนาะก็ทำเรื่อยๆนะทำเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็สักใกล้ใบ่ายสามโมงครึ่งก็กลับมา เดินถ้าใครง่วงมากๆก็เดินเยอะๆอ่า <c oughs> ง่วงมากๆก็ทำแรงๆนะอืม <c oughs> ใช้ที่ข้างบนก็ได้นะสองสาชั้นนะตอนนี้